นอบน้อมเดีองคสมเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระอรหันต์กลยจากเกเรตัดตารู้ชอบได้พระองค์เองข อ, อ, น, อนอบน้อมหลวงปู่เทียนปรมาจารย์ในการเจริญสติข อ, อ, น, อนอบนอบ้อมหลวงพ่อคำเขียนผู้ทิ้งมดเป็นสิษยเอกหลวงปู่เทียนแล้วก็สิ้นทุกหมดทุกไปตามหลวงปู่เทียนด้วยขอถาวายความเคารพในการน่าสงหลวงปู่กรมอาจารย์โย ก, กิอาจารย์ทรงศิลอาจารย์พระรัตนชัยอาจารย์ อาจารย์โนดอาจารย์สุรินแล้วก็พระเทรานุเทระวัติมัติาะกกาอาจารย์ตุ่มด้วยขอเจริญพรแังโยมแม่ขาวแม่ชีอุบาสกอุบาสิาสกาผู้เจริญใน้ทรทุกท่านคือว่านอนสอนง่ายลูกเทียนพูดยังไงฟังมากพูดมากจำมากคิดมากไม่เข้าใจธรรมะต้องทำขอให้โยมทั้งหลายยกมือ ปฏิบัติทำไปด้วยยกมือทําไปเลยให้วานนอนสอนง่ายถ้าใครไม่ยกก็เอามือเคาะตะุ่มเล่นก็นได้นะอะไรไม่อยากยกเอามือเคาะตะุ่มเล่นก็นได้เคาะพวเข่าเล่นก็นได้ให้เคลื่อนที่เขาไว้วานนอนสอนง่ายนี่เนี่ยก็เรียกเข้าใจธรรมะฟังแล้วรู้เรื่องฟังทำแล้วเอาไปทําไม่ฟังเอาไปจําเอาไปคิดเอาไปพูดยังไงไม่มีทางรู้เรื่องเยต้องทําเพราะว่าหลวงพ่อมาอยู่สายหลวงพ่เทียนเนี่ยไม่ฟังพระเทศเลย นะมิจฉาพัดพูดอย่างหนึ่งการกระทําไม่เหมือนเลยไม่เหมือนตัวเองทําเนี่ยหลายองค์แต่ว่าไม่ใช่ยูที่นี่ไม่มีเลยมีจฉาพัดดีๆทั้งนั้นที่เนี่ยที่อื่นน่ะถ่ายนุกเทียนนี่แหละเขามาปฏิบ<อ><ๆ>ัติเขาพูดคําพูดกับการกระทําไม่ตรงกันหลวงพ่อไม่ฟังเลยยกมือแข่งตะพื้เลยยกแข่งยกรู้สึกรู้สึกรู้สึกเู้สึสสพอรู้สึกชินชัดขึ้นนะไอความคิดมันจะเผลอไปติไปชมเขาไปว่าเขาผิดเขาถูกนี่ยมันไม่ไป เออก็สบายดีมันไม่มันไม่ส่งจิตไปติไปชมไปสรรเสริญไปดินทาเขาไปจับพิษจะบูเขามันอยู่ที่ความรู้สึกตัวซื่อเฉยเฉยเนี่ยก็เลยสบายได้เข้าใจเลยเข้าใจหลวงพ่เทียนโอนี่หลวงพ่อเทียนสอนให้ทําอย่าจําอย่าคิดอย่ารูดอะไรให้มากนักแล้วเข้าใจตัวนี้เจนี้ก็เลยเจนี้ก็เห็นเลยนะให้ทำให้เห็นเห็นความคิดของตัวเองเห็นคําพูดตัวเองแล้วก็เห็น ร่างกายที่มันกำเครื่อนไหวมันกำทําอะไรอยู่เห็นกายกรรมวัจีกรรมมนกรรมเห็นมันทีนี้หลวงพ่อใช้คําว่ายังเห็นนึกถึงข้อความเขียนตับนบบนึกว่าโอ้เนี่รูปนามที่พ้นทุกข์แล้วถ้าจะใส่สมมติก่อนอัศวะอาหารอย่างไงเนี่ยแล้วก็พร้อมยกมือไหว้ด้วยตอนหน้ารบหลังก็ยกมือเลยนึกถึงข้อความเขียนเม่อไหร่ก็อ๋อพาอาหารพ้นทุกข์แล้วเลยจะพูดตามภาษาปัจจิบัก่น รูปนามที่พ้นทุกข์แล้วนกมือขึ้นมาทีนี้เห็นเพื่อนญาติโยมทั้งหลายเนี้ยกลับมารูปนามรูปนามเดินมาสหัสกับนึกขึ้นได้ใหส้สูงๆูง้นเลยก็รูปนามเป็นอริยะแล้วอริยะสูงอริยะบุคคลไปนึกพยายามนึกอย่างนี้พอเปลี่ยนสัญญาใหม่เปลี่ยนสัญญาให้มันเป็นสัญญาในในการเป็นสัญญาปรมัตสัญญาปัญญาไปไม่ได้เปลี่ยนปัญญาเ ป, เ, ป เ, ปเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวเห็นผิด ชื่ออาจารย์สุรินอย่เงี้ยเอายกให้เขาเป็นสมมุติเป็นคนไปเองนี่เขเลยเขไม่ไม่ฉาทินทีเห็นผิดนะเห็นผิดเขาไม่ใช่ตัวตนเขาเป็นอเนจังเป็นผู้แข็งเป็นหน้าตาไม่ใช่ตัวตนเรายังไปยัดเยียดตัวตนให้เขาอีกนะยัดเยียดที่ไหนยัดเยียดให้ตัวโง่ตัวเองเนี่ยก่อนก่อนอื่นเลยเราเห็นเขาว่าเป็นคนนั้นคนนี้นะนะไม่เห็นเป็นรูปเป็นนามหลวงพ่อเทียนเห็นแม่งป่องหลนใส่ปั๊บออกรูปนามรูปนามอะไร รูปนานไมน ไ, ไม่มีกิเลสเนะถ้ามีกิเลสมันก็ต่อยเราเร็วเขาา้ามากัดเราแล้วต่อยเร็มันอออันนี้รู้ทันทีทันใดทันเนี่ยไอ้ตัวรูน้นี่ปัญญามันออกมาพร้อมกับสติอะไรนะจึตว่าก็ฝึกสติให้ความรู้สึกตัวให้คล่องแคล่วว่องไวเข้าไปอะไรก็ให้รู้สึกตัวเข้าไว้ถือว่าหลวงพ่อคำเขียนท่านพูดบอกว่าการยกมือสร้างจังหวะเนี่ยก็เป็นขั้นต้นขั้นต้นในการรู้เพราะมันมันหนักหน่วงมันหยาบมันใหญ่นะมันรู้สึกได้ชัดดีง ถ้าไปกำหนดลมหายใจไปพุทเจ้าตัสรู้นึ่งก่อนอันนั้นก็นละเอียดเป็นขั้นกลางมันแต่ว่าผลสุดท้ายก็ต้องมารู้จิตมารู้จิตความคิดในเองต้นเหตุของมันตัวนี้ตัวใหญ่ที่ว่ามันคิดก่อนมันถึงจะพูดตามแล้วก็ถึงจะทําตามมันคิดดีคิดก่อนมันจะแผ่เมตตาหรือพูดเราทำพูดพูดพู ด, พ ด, พดแบบเมตตาให้เขา ให้เขาเกิดปัญญาแล้วก็ทำทางกายให้เขาเกิดเมตตาปัญญาขึ้นมานี่เพราะมันมัมนอยู่ที่ใจก่อนมันจะไปเห็นที่ใจจะไปเห็นต้นเหตุใช่ไหมต้นเหตุฝ่ายผิดและต้นเหตุฝ่ายถูกต้นเหตุฝ่ายพ้นทุกข์หรืออะไรก็อยู่ที่ใจนี่อิูจิตใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จที่ใจก่อนจะฆ่าเขาไงใจมันฆ่าก่อนแล้วปากมันจะฆ่าตามมือมันจงฆ่าตามทีหลังใช่ไหมมือถึงฆ่าตามใจมันฆ่าตอนนี้เราจะแพ้เมตตาใหเขาเขาเป็นพระทหาร ่ใจมันเป็นก่อนแล้วมันหันออกไปหันจากกิเลสโลภ์กดหลงหันจากแพ่งโทษไปสู่การดีเห็มันหันไปก่อนปากก็หันตามมือไม้ก็หันตามไหว้กราบไปค่ะไปมันไปก่อนเลยเนไหมก็จึงว่าเห็นที่ใจเนี่ยไปเห็นที่ใจจึงว่าจึงสําคัญตอนนี้ปฏิบัติที่ใจผู้เจ้าปฏิบัติทนมาร่างกายอดข้าวอดน้ํามาแทบตายไม่กันลมหายใจมาไม่สําเร็จะเราเทียนเขาบอกว่าอ้าต้องจะว่ากินเนื้อกินสัตว์นั่นนะ กินเจที่จะจะสําเร็จมากผลิพาน่ะพระเจ้าว่าพุตเจ้าผมไม่ได้กินเจก็ไม่ได้กินอเนื้อก็ไม่ได้กินผักก็ไม่ได้กินโอ๊ข้าวแทบตายยังไม่สําเร็จเลยว่างั้นไมต้องกินสติต้องกินความรู้สึกตัวะก็เรียกว่ากินมโนสันติสารอาหารวิญญาณอาหารกินสติเลยนี่ไปกินเกาลิงกะาอาหารกินขาข้าวผัสสะผัสสะหานี่ผัสสะกระทบเข้ามาปั๊บเนี่ยผัสสะ ทีนี้มันมีการวิธีจัดกิเลสมันมีอยู่สองสามขั้นตอนนะขั้นหนึ่งเวลาอารมณ์ลูกเสียงกินรถผลิตภัณฑ์ทำอารมณ์กระทบกายวาจาใจพรรษ า, าแค่พัรษาแค่นี้เพนเทเองอันนี้รักษาใจก็เฉย อ, อยู่อันนี้เขาเลยตัดตัดที่พรรษ า, าก็สองตัดที่เวทนาถ้ามันเป็นเวทนาโอ้สุขเนา ส, ขาสุขรู้สุขทีนี้หลวงพ่อเําเขียงว่ารู้สุขแต่ใจไม่เป็นผู้สุขด้วยรู้ทุก ใจไม่เป็นผู้ทุกข์ด้วยนี่ประตัดที่เวทนาที่ตัดที่ตัณหาก่อนมันเกิดความทยานอยากในกามกามวตันหาภวะวตันหาวิภวัตันหาการวตันหาคือตัวโลภะกับตัวราคะตัวกำหนัดนั่นเองที่ภาวะวตันหาคือตัวโมหะหลงมีหลงเป็นหลงเป็นสัตว์บุคคลตัวตนโลขาวงเที่ยงแท้ทับวนก็เรียกว่าภาวะตันหาทยานอยากในความมีความเป็นวิภาวะวัตันหาก็คือไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากพบไม่อยากเจออยากทำลายก็คือตัวโทสะนั่นเองตัวโทสะตัวโกรธตัวเกลียดนั่นเอง ไม่อยากพบมันอยากเจออยากสําใดอยากทําให้สูตรหายไปเสียเนี่ยทายาทอยากเนี่ยนะทายอยากตรงนี้กับนี่ก็นี่ตัดมาเห็นปั๊บเนี่ยมาตัดที่ตัวรู้ตัวสติปัญญาเนี่ยเข้าไปเห็นเข้าก็จะมันจะมันจะตัดไอ้ตรงนี้ตัดที่สัณหาพอตัดตัณหาตัดที่อุปทานเนี่ยอุปทานก็เกิดเนี่ยอุปทานเนี่ยมันจะเกิดพบขึ้นมาเกิดชาติขึ้นมาเกิดตัวกูของกูขึ้นมาเนีอุปทานนี่ตัดได้ยากหน่อย พอมันยึดตัวเล่าต้องใช้วิปาาันสนาญาณกินตาญาณเข้ามาช่วยไม่ใช่ตัวเรานะลูกวิษณนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ย ง, เ ป, เ, ปนนงเป็นทุกข์เป็นอนิจจังเป็นทุกขะอะไรตาเอาตัวนี้เข้ามาช่วยมันเอาตัวกินตาญาณเข้ามาช่วยวิปาาัสนาญาณวิปัสนาญาณเพียงแต่เข้าไปเห็นเฉยเปร๊บมันก็บับงได้ปล่อยได้ทิ้งได้ละหลุดได้หลุดได้แล้วทีนี้ก็ให้เร า, เ า, สเาสังเกตตัวนี้ก่อนอสังเกตตัวกับขัดสา ท, ที่มันกระทบนี่นะถ้ากระทบปั๊บ ดีที่สุดใจก็เฉยชั่วที่สุดก็เฉยสุขที่สุดก็เฉยทุกที่สุดก็เฉยให้ตัดตัวนี้ก่อนนี่ปพิธียกมือแล้ยกมือค้า่าชการมือเราคุ้นเคยกับความที่ไม่มีตัวโลคตัวโกดตัวหลงตัวรักตัวช่างตัวยินดีตัวยินได้ตัวผู้ตัวเมียผู้หญิงผู้ชายคนดูคนสาวคนเฒ่าคนแก่ไม่มีเลยไม่เป็นอะไรเลยเป็นความรู้สึกที่บริสุทธิ์ล้วนๆอยู่นั่นแหละให้จิตมันคุ้นเคยกับตัวนี้ก่อนมาสนิกกับตัวนี้ก่อนสนิทกับตัวนี้ก่อนทีนี้พอมันเกิดอารมณ์ขึ้น พอใจไม่พอใจมันเป็นอารมณ์ที่หนักหน่วงขึ้นมาที่ร้อนแรงขึ้นมาเข้าใจมันก็จะจับได้ชัดขึ้นเขใจไหมนี่คือตอนต้องฝึกลองฝึกให้คุ้นกับพันิพาลมาก่อนจิตที่ว่างจากความโลภของกรความหลงไม่มีตัวโลภไม่มีตัวโลภเกิดขึ้นมาในใจเนี่ยเราก็เนระียนให้ฝึกตรงที่สุดเลยนะตรงให้ให้จิตเรามันดูความว่างตรงนั้นยกขึ้นมามันว่างอย่างไรว่างจากความนึกคิดนะว่างจากสมมติว่างจากความพูดว่างจากกันทั้งหมดเลยมันรู้สึกซื่อเฉยเฉยนะจับตัวนี้ได้นะ อาจับรู้ตัวนี้ได้ก็โอ้จะมันจะสบายสบายก็คือไม่ลําบากลําบากคือทุกสบายก็คือไม่ทุกมันจะเบาเบาก็คือไม่หนักหนักมันก็คือทุกเนี่ยมันเย็นมันเย็นก็คือไม่ร้อนร้อนมันทุกเห็นไม่ามันไม่ยึดยึดมันก็แบกขามก่อนมันก็หนักไงไม่ยึดมันก็ปล่อยเลยวางเลยขึ้นมาอย่างนี้รู้สักแต่ว่ารู้รู้ซื่อๆรู้เฉยๆรู้เป่าๆอ่ารู้บริสุทธิ์รู้รวนๆเป็นรูปที่ไม่ติดกิเลส ไม่ติดเย็นดีไม่ติดเินร้ายไม่ติดรักไม่ติดชังหลวงพ่อเทียนนะ้มันจืดสนิททีนี้เรากินแ ป, ป๊บซี่ก็ลากินสิ่งเสียดติด ม, มันเมาเลยมันมีรสชาติใช่ไหมแต่กินน้ําฝนน้ําฝนบริสุทธิ์ไม่มีรสชาติอะไรจืดเย็นสนิทเข้าใจไหมแต่ว่ากินได้มากใช่ไหมแต่พวกกินรสเปรี้ยวหวานหานเค็มกินไม่มากเหมอนพอ ก, กินสุดทา้ายก็ต้องมากินน้ําจืดล้างรสอยู่ดีเห็นไหมพันธุ์พานก็ดับล้างพุกน ล้างรสสุขรสทุกล้างอะไรได้หมดเลยล้างดีล้างชั่วล้างบุญล้างบาปล้างรางค่าโทสะมุขดับสนิทไปเลยล้างไปเลยเนี่ยก็จึงว่าจะฝึกจิตให้มันคุ้นเคยกับตัวนี้ไว้ฝึกสติให้ความรู้สึกตัวซื่อรู ys, irsiniz, tubes, ้สึกตัวเฉยเฉยรู้สึกสดสรู้เปล่ปาเปล่ารู้ว่างๆรู้แล้วก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไปผ่านไปจิตเกิดมีเป็นความถี่เป็นความถี่ของความบ้างของกิเลสเกิดในจิตไม่มีช่องว่างที่จะให้ความโลภความโกรธความหลงเข้ามาแทรกงัจึงว่า วิเดียเนทุกขมักเจติคนจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรคือความเพียรในการสร้างความรู้สึกตัวนั่เองสร้างความรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวียชื่อนความสติมันก็มาพร้อมกับความรู้สึกตัวนะมันปั๊บปมันเห็นเห็นเห็นเห็นเห็นเห็นไม่เป็นที่พวกเราไม่เห็นเราเป็นเห็นเราเป็นเห็นทุกข์เราเป็นผู้ทุกข์ไปด้วยเห็นโกรธเป็นผู้โกรธเห็นโลคเป็นผู้โรคเห็นลงเป็นผู้ลงหลวงพ่อจึงซึ่งในคําพูดของหลงพ่อคาเขียน อาจารย์ใหญ่ลูกบุกเขียนบอกว่าเห็นไม่เป็นไม่เห็นเป็นไม่รู้ไม่เห็นจะเป็นไม่คือไม่เข้าไปดูไม่รู้เห็นเห็นแบบหลงอะเห็นแบบโง่เห็นแบบหลงเห็นความโกรธก็เป็นผู้โกรธไปเลยเห็นความโลภก็เป็นผู้โลภเห็นความหลงก็เป็นผู้หลงเห็นความรักก็เป็นผู้รักเห็นผู้ช่งก็เป็นผู้ช่างไปเลยลวดไปเลยถ้าเห็นสักแต่ว่าเห็นเฉยๆก็ดูที่ใจจะจะดูที่คำพูดนี่ไมได้ ต้องดูีดใจเราเองว่าเราเฉยได้ไหมใจเฉยได้ไหมไม่ใช่เราเฉยท่านรู้มันเฉยได้ไหมพูดว่าเราก็จะพูดตามสมมติว่าเราเป็นสัตว์บุคคลโตๆเราเขาอยู่ท่านรู้สติปัญญานะเข้าไปรู้สึกเรามันเฉยได้ไหมภาษาอภิธรรมก็พูดพูดภาษาลิบุลสมเร็จพระอรหันต์พระมุคัลลสมฤทธิ์พระอรหันต์นั้นพูดตามสมมติตามตามสมาสาสสมุติภาษาโรูะภาษาสมมติใฉยเฉยภาษาคนได้ใชยต้องพูดว่าปัญญาเจตสิกนะ สเปรตอรหรันปัญญาเจตสิกมีสมมติชื่อว่าพัมโมคลาภาษารีบุตรงั้นปัญญาเจตสิกปัญญาก็คือตัวสติตัวปัญญาที่มันเกิดกับใจนั่เองเจตสิกแปลว่าสิ่งที่เกิดกับใจเกิดกับจิตเกิดกับใจเกิดเกิดพร้อมกับท่านรู้นะั่นแหละเหมือนกับไฟมีความร้อนแล้วก็แสงสว่างก็ออกมาจากไฟใช่ไหมเพรแสงสว่างมันไปส่องรู้เห็นไฟจุด ท, ที่มันเป็นไฟอยู delicious delicious ่ตรงไหนไอ้แสงสว่างนั่นก็คือตัวปัญญาแต่มาเกิดมาจากไหนมาเกิดมาจากไฟ ไอ้ตัวปัญญาความสติมันก็เกิดมาจากจิตนั่นเองเกิดมาจากธาตรู้นั่นเองะเราก็รู้ตัวมันเองด้วยใช้ยหมอันนี้ก็เป็นการธาตุรู้จะรู้ตัวมันเองทีนี้เราเอาธาตุรู้นี่มาดูสิ่งที่มันอยู่ด้วยกันไอ้น้ํากับรูปมันอยู่ด้วยกันกายกับใจมันอยู่ด้วยกันทีนี้เอาใจมาดูกายเอาน้ามาดูรูปใช่ไหมดูไปดูมาเราก็ไอ้ตัวไอ้ตัวน้ําจะย้อนมาดูน้าเองใจจะย้อนมาดูใจเองผู้รู้จะย้อนมาดูผู้รู้เองตัวรูป ตัวรู้ก็จะมีตัวอยู่อาการรู้นะอาการรู้จะย้อนมาดูอาการรู้เองวิญญาณธาตุจะย้อนมาดูวิญญาณธาตุเองพระโมคคัลลาสารีบุตรแสดงฤทธิ์ได้พอพ่อเขาพระพุทธเจ้าฟังธรรมะเรื่องแยกกายในออกอะไรที่แข็งแข็งเขาเรียกไปธาตุดินธาตุแข็งอะไรที่เหลวไหลเขาเรียกว่าธาตุน้ำธาตุเหลวไหลอะไรที่พัดไปพัดมาเขาเรียกว่าธาตุลมแข็งตึงธาตุลมอะไรที่ร้อนอะไรก็ว่าธาตุไฟ อะไรที่เป็นความว่างเป็นสุญญากาศนะเป็นอากาศธาตุภาษาบาลีก็เรียกอากาศธาตุภาษาไทยเรียกอวกาศก็เรียกสุญญากาศธาตุเนี่ยอะไรที่รู้ก็เรียกว่าธาตุรู้นะธาตุรู้ใช่ไธาตุรู้ที่นี่ธาตุตุนะไม่ใช่ไม่ใช่ทอทหารสาราสเสือธาตุอันนั้นไปผู้รับใช้เป็นเบี้ยร่างเป็นตกต่ำของกิเลสธาตุตัวนั้นธาตุตุธาตุอยู่แปลว่าทรงไว้อย่างนั้นทรงไว้ซึ่งความแข็งทรงไว้ซึ่งความเลวไรเอิบอับ ทรงไว้ซึ่งการพัดไปพัดมาแข่งตึงกระลมทรงไว้ซึ่งความร้อนอุ่นทะรงไวซึ่งความว่างทรงไว้ซึ่งนะถ้า <จะ S 1> ความรู้สึกเนะบญญาธาตุที<า>นี้พระนิพพานนั่นะครับไม่ปรากฏการเกิด ไ, <ว>ไม่ปรากฏการดับ ม, มีอยู่เป็นอนันตาการนะอย่างความโลภความโกรธความหลงมันเกิดขึ้นปั๊บปั๊บแนแต่ความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่ทุกข์มันมีอยู่เป็นอนันตการแล้วเข้าใจไหมนี่นักวิทยาธรรมมันมีอยู่แล้ว ในจิตในใจของเราเนี่ยแจะให้เราคนหาให้เจอเท่านันมันมีอยู่แล้วที่ท่านรู้เนี่ยมันรู้อยู่แล้วท่านรู้มัรู้แล้วไม่มีทุกข์ไม่มียินดีไม่มียินร้าไม่มีรักไม่มีชังไม่มีติไม่ไม่มีชมไม่มีสรรเสริญไม่มีนิทาไม่กลัวไม่โกรธไม่รักไม่ชังมันมีอยู่แล้วเนี่เป็นของมีถ้าไม่มีจะหาเจอเลยเหมอหาของไม่มีจะหาพบเลยเหมอของมีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วเหมือนอันนี้ก็เหมือนกันให้เราสังเกตดูที่นี้ยทุกวันนี้ถ้าเราไม่เป็นบ้าตายทุกวันนี้ก็เพราะวว่่่าาาาาเเเเรรรรนิพลี้้้ยงไไแตมู นะอาจรเราโกรธโกรธไม่หยุดเนี่ยเครียดนะเยก็ฆ่าคนคนที่เรากโกรธตายหรือทีฆ่าตัวเองตายเข้าใจหมคนที่เครียดเก่งๆผูท้ท่านสมมว่าเป็นโรคกระเพาะอาหารระบบการย่อยอาหารจะไม่ดีเพราะน้าน้ำย่อยน้ำกรดมันออกมาไม่ถูกก ร, ราเทสระมันกัดกระเพาะเข า, าันคนที่เครียดเก่งๆโกรธเก่งๆพยา บ, บาทเก่งๆเนะี่ยพวกนี้จะไป็โรคเกี่ยวกับระบบการย่อยอาหารท่านั้นผู้ท่านบอกไี้ ท่านก็ทำงานทุกชนิดได้วจิตว่างออ <c oughs> ยกขลงานให้ความบ้างทุกอย่างสิน้นกินอาหารของความบ้างจากพระ ก, กินตายเสร็จสิน้นในตัวให้ัวีตีกิเลสตายไม่ใช่ร่างกายรูปนามยังอยู่ยังไม่ตายแต่กิเลสมันตายทํางานด้วยความว่างออกมากายนี่ก็ว่างจากตัวตนใจก็ว่างจากตัวตนทํางานอะไรที่มันจะก่อให้เกิดปัญญาก่อให้เกิดมีสติปัญญาเห็นทุกข์แล้วก็ดับทุกข์ได้พ้นจากทุกข์ออกจากทุกข์ได้ท่านเอางานนี้ลงประเทียนกับ เอางานเหมือนกันกายเคลื่อนไหวไ ป, ไปจับอะไรไ<ป>กำอะไรให้รู้สึกตัวนะคิดลูกคิดคอมพิวเตดอร์อะไรก็แล้วแต่รู้สึกรู้สึกรู้สึกตามไปด้วยนะพอรู้สึกรู้สึกตัวนะั้นไปมันก็ไม่ไม่นึกไม่คิด ไ, <ป>ไม่นึกไม่คิดจิตมันก็เลยเป็นกลางวางเฉยอยู่นะนะเป็นกลางวางเฉยทางสายกลางคือถามคนทุกข์อย่นนะเป็นกลางไม่ถ้ามันไม่กลางมันก็เอียงไปเอียงไปบวกเอียงไปลบเอียงไปรักเอียงไปชังเอียงไปยินดีเอียงไปยินไล่อันนี้ทางสายเอียงทางสาย ถางไม่ใช่ตรงนี่ตรงเห็นตรงตรงไปสู่ความพ้นทุกข์ตรงไปสู่ความไม่มีทุกข์เห็นอย่างไรก็เห็นอย่างนั้นเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างไนเห็นไม่เที่ยงก็คือไม่เที่ยงเห็นทุกข์ก็คือทุกข์เห็นบังคับไม่ได้ก็คือบังคับไม่ได้ไม่ต้องไปแปลความหมายอะไรเห็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นเองธรรมชาติเป็นอย่างนั้นร่างกายจิตใจเราก็เป็นธรรมะเป็นธรรมชาติอยู่อย่างนย้เป็นธรรมชาติอยู่เป็นธรรมชาติพระเจ้าเขาลบพระธรรมเนี่ยเขารบพระธรรมะ ท่านไม่ได้เคารพสมบูรไม่ได้เคารพสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรท่านเคารพพระธรรมไอ้หลวงปู่เทียนก็เคารพพระธรรมเหมือนกันพระธรรมยังไงเป็นเด็กเดินทางเนาไหว้ทางนลวงปู่เทียนก็โยมมาไหว้ตอบเด็กเห็นโยมยกไหว้นลวงปู่เทียนก็ไหว้นาะไหว้พระธรรมไหว้พระธรรมหมายถึงอะไพระธรรมคือความอ่อนน้อมถ่อมตนความไม่เยอหยิงของยองห้องนี่ความเคารพน่น่ันเคารพเขาเคารพท่านท่านก็เคารพตอบนั่นเคารพพระธรรมผมไม่ได้กราบคนไม่ได้กราบคนนั้นคนนี้เหมือนไงผมกราบลบพระธรรมท่านอนี้ นี่หลวงปเทียนท่านพูดให้ฟังหลวงพ่อฟั่งเห็นท่านยกมือไหว้เด็กที่ถ้าอยู่ที่วัดสนามในน่เด็กทานมาเด็กยกมือไหว้ท่านท่านก็ยกมือไหว้ตอบโยมไหว้ท่านท่านก็ยกมือไหว้ตอบมาหลวงปู่เทียนไหว้พระธรรมผมไม่ได้ไหว้คนผมไหว้พระธรรมพระธรรมคือความอดน้อมถ่อมตนของไม่มีตัวตนเลยผมไม่เยอะจริงจ้องห้องอะไรเงี้ยนะท่านไหวท่านไหวอย่างนี้ไหว้ตัวเองที่มีสติปัญญาที่เข้าไปรู้ธรรมะ มีไหวสติไหวปัญญาที่เข้าไปรู้สัมมาแล้วให้ออกจากออกจากสัมมาปล่อยวางสัมมาได้นะพันิพานก็ไม่ให้ยึดนะพันิพานความสิ้นทุกข์ดับทุกข์ไม่มีทุกข์นะให้รู้รู้แล้วก็เฉยๆรู้แล้วก็ปล่อยวางเสียตัวรู้ซื่อๆตัวรู้เฉยๆนะนะก็แล้วพันิพานเดียงไว้นี่เรารู้ไม่ซื่อรู้รักรู้ชังรู้ยินดีหยินร้ายรู้กลัวรู้โกรธรู้กลุ่มรู้ติรู้ชมรู้สนรเสริญนิทานไอ้ตัวนี้เป็นตัวรู้ของตัวกิเลสเป็นตัวรู้ของตัวหลงนะ เป็นตัวลูกของตัวหลงเป็นตัวลูกของตัวบาปเป็นตัวลูกที่ก่อให้เกิดทุกข์อะไรยังไถ้ารู้ซื่อๆรู้เฉยๆรู้เปล่าๆเป็นตัวลูกที่บริสุทธิ์รู้ที่หลุดพ้นทุกข์อยู่ในตัวเป็นการปล่อยวางอยู่ในตัวในขณะที่รู้นั่นเลยต้องฝึกตัวนี้เข้าไว้ฝึกความรู้สึกตัวเข้าไปเพราะว่าความรู้สึกตัวเนี่ยหลวงพ่อเคยปฏิบัติยุบเนอพองหนออยู่หลายปีหรือสองปีจะไม่ได้แต่อาจารย์ที่เป็นอาจารย์ก็คืออธิบุรีกรมศุลกากรขุนขุนอะไรขุนศี พุนศิษฎากรอนมาบวชเป็นพระกระจายในรูปพระเลยปฏิบัติยุบหน่อฟองหน่อหลวงพ่อหลวงพ่อครับผมไม่ต้องอายุบหน่อฟองหนอขวาอย่างหนอซ้ายอย่างหนอมําหนดรูปเชื้อเชิญมันชัดนะท่านบอกไม่ได้ครูบาอาจารย์ก็สอนอย่างเร็วะอาตมาก็อยู่ประมาณห้าหกวันกราธันแล้วมาอยู่ก็ลาชวัดอะไรจําไม่ได้ปฏิบัติยุดกับห้าเดือน5เดือนหเดือนนอกภาษาเดินจังหวะหยกส้นหน่อยกหนอไม่ว่าค่อยๆยก ก็ล่านไปไม่ว่าไ ม, ไม่ไม่ท่องไม่ท่องคําบริกรรมบบเลยเธอวันหนึ่งคาเอา้าคำเบาเลยเออวัยหรือ เ, เลยเดินไปทางโน้นกลับมาทางนี้เยอะย ก, กนอ้ยนอยยกน้อยก็ไม่ว่ากําหนดเฉยแต่ว่ามันจะได้จังหวะที่เดินนะมันมันตรงกัหลวงพ่อเทียนเข้าใจไหมมันตรงกงับหลวงเทียนจะไม่ ร, ไม ร, ไ ร, รู้ไม่รู้อะไรคือลูกไม่รู้อะไรคือหนามไม่รู้เลยนะรู้แต่ว่าเอ๊ะมันสบายดีมันไม่คิดเลยนะวันหนึ่งคําเอาคําเอาทีนะสิ่งที่ก็มาทําพุโทโธพุโทโธเดินอยู่คนเดียวอยู่ที่เพอาจารย์ นรงเป็นลูกศิษย์ฝ่ายลูกพ่อชาเนี่ยท่านเป็นอะรค่ะคุยกับท่านนะท่านว่าเช่นนั้นเองถ้านผู้นี้เช่นนั้นเองใครจะพูดฉิดพูดถูกพูดอะไรมาขอเงินขอทองหรือขอความช่วยเหลืออะไรก็ต่มาปรึกษาอะไรก็แต่ขอสมรักฟังธรรมเช่นนั้นเองเช่นนั้นเช่นนั้นท่านพูดอยูงเนี่ยเช่นนั้นก็คือภาษาบาลีก็เลยตัตาตาตัาตาเป็นเช่นนั้นเองเนยสินได้ยินเสียงก็เช่นนั้นเอง มีความหมายรู้ความหมายก็เช่นนั่นเไม่รู้ความหมายก็เช่นนั่นเองเช่นนั่นเองแล้วท่านก็ช่วยไปตามที่ขอขอร้องมาตามตามสัญญาตามสมบุติไปท่านก็ช่วยเหลือไปตามท่านเองเช่นนั้นเองเช่นนั้นเองพูดอยู่แค่นี้ตาตาตาก็เห็นอย่างนั้นก็เห็นเช่นนั่นเองเห็นไม่เที่ยงก็คือไม่เที่ยงเห็นทุกก็คือทุกเห็นบังคับไม่ได้บังคับไม่ได้ก็เห็นพระต่ายรักก็โอเป็นเช่นนั้นเองนะเป็นเช่นนั้นเองมันไม่เป็นอะไรเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่เป็นเช่นนั้นเองไม่ได้เป็นตัวตน ไม่ได้เป็นเราเป็นเขาเป็นใครเขาใจว่าเป็นเช่นนั้นเองเป็นเท่าที่เห็นเท่าที่รู้เป็นจริงตามที่มันเป็นจริงอเช่นนั้นเองไม่เป็นอะไรนี่หลงพ่อคำเขียนบอไม่เป็นอะไรมันก็เป็นหุกมันเช่นนั้นเองคือไม่เป็นอะไรอ่าไม่พันิพานก็ไม่เป็นอะไรไม่เป็นโลภเป็นโกรธเป็นหลงไม่เป็นคนเป็นสัตว์บุคคลตนตนเราเขาบางจากความมีความเป็นอบางจากกิเลสก็ไม่เป็นอะไรของข้อคำเขียนคํานี้มีความหมายเท่ากับพันิพานะไม่เป็นอะไร ไม่เป็นอะไรแต่เป็นอะไรอยู่จะไม่เป็นอะไรเป็นธรรมเป็นธรรมชาติที่บ้างจากทุกข์บ้างจากโกรธบ้างจากโกรธบ้างจากหลงว่างจากสั ต, ต, ว, ต, ว, ต, ว, ตว์บุคคลตนๆของเขางจากสมุดว่างจากภาษาว่างจากความนึกคิดอยู่เนะี่ยไม่เป็นอะไรทีนี้ท่านก็บอกว่าเห็นโกรธไม่โกรธเห็นทุกข์ไม่ทุกข์ท่านก็เอาตัวนี้มายำ้ำที่ท่านบอกว่าเห็นโกรธไม่โกรธเห็นทุกขไม่ทุกข์ท่านเอาภาษามาพูดเฉยๆแต่ตัวเห็นตรงนั้นมันนั่นอยู่แล้วมันทำหน้าที่เห็นนั่นอย่า ไม่ทำหน้าที่เป็นเป็นตัวทุกข์เป็นตัวโลภ ต, ตัวโกตัวรูแต่ท่านพูดให้เราเข้าใจเข้าใจไหมเนี่ยหลวงพ่อพยายามทําตัวเนี่ยทาตามคําพ่อกับเขียนนะเวลานึกเห็นุนนคนรัดเดินขึ้นมาว่าไม่เป็ น, ปนรูปนามเอาสมมติภาใส่เนาเปนรูปนามนาเห็นผู้หญิงผู้ชายคนหนุ่มคนสาวคนเท่าคนแก่กันเลยเห็นหมดแท็นปวกให้นอ้ไรก็รูปนา ม, ร, นามรูปนามอยู่เรื่อยเห็นอันนี้ก็พยายามให้มันออกจากสมมุติปัญญาอย่าพูดแต่สมมติปัญญาแต่แต่ให้สัญญาเรากลายเป็นปัญญาไปอย่าให้เป็นสัญญาจําจําผิดจําถูกกัน จำแบบสมมุติอยู่ด้วยรูปนามรูปนามรูปนามไปทิน่ะตัวนี้ก็ตัดสินใจได้เลยไม่สงสัยรูปนามใดมีสติปัญญารูปนามนั้นก็พ้นทุกต่อไปเรื่อยๆอยู่เย็นเป็นสุขไปถ้ารูปนามใดโง่โง่เซ่อเไม่มีสติปัญญารูปนามนั้นก็เป็นทุกต่อไปนี่หลวงพ่อไม่สงสัยเลยตัวนี้ไม่สงสัยเลยรูปนามนั้นก็ก่อเหตุต่อทุกหลบต่อไปโกดต่อไปหลงต่อไปทุกต่อไป ตันหาเกาะกินต่อไปอุปทานเกาะกินต่อไปความโง่เกาะกินต่อไปบาปเกาะกินต่อไปทุกเกาะกินต่อไปนี่ถ้าหากว่ามีสติปัญญาแล้วมันจะปล่อยวางมันจะไม่ไปทำจะไม่ทําจะไม่ทําทุกข์ให้เกิดขึ้นจะไม่ทําตันหาให้เกิดขึ้นจะไม่ทําความยึดมั่นให้เกิดขึ้นจะไม่ทําความโลภความโกรธให้เกิดขึ้นในจิตในใจเพราะมีตัวรู้คอยป้องกันและปราบปรามตัวสติความรู้สึกตัวเนี่ยจะเป็นทั้งความป้องกันและปราบปรามอยู่ในตัวเสร็จเลยอยู่ในตัวเสร็จแล้วจะเผลอกันเลยกัน ถ้าเราเผลอรู้ว่าเผลอเนี่ยก็ตั้งต้นใหม่ถ้ารู้ว่าคิดก็รู้ว่าคิดก็มันจะคิดจะอยู่จะไม่อยู่ก็เช่างหัวมันแล้วให้เรากลับมาอยู่ที่ความรู้สึกตัวไปช่างหัวมันนะลวกพ่อเขียนก็พูดคํานึงไม่เป็นไรช่างหัวมันเช่นนั้นเองนั่ะไม่เป็นไรช่างหัวมันเช่นนั้นเองก็เช่นนั้นเองมันเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างมันเป็นเป็นเช่นนั้นไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่เป็นสัตว์บุคคลตัวเคนเราเขาเป็นธรรมชาติร่างเตุปัจจัยของมันอย่างนั้นเองก็พูดหลวพราะจําทันพูดเดี๋ยวเขา ทีนี้ท่านก็นถามเมื่อวานนี่อาจารย์เอาอาจารย์สุรินมาอาบทสิทธิธงพ่อไปเขอาหลวงพ่อกรมไปไมนี่ยทีนี้หลวงพ่อก็บวชก่อนหลวงพ่อกรมคนละปีแต่ก็ปวก่อนประมาณเจ็เดือนนี่แหละหลวงพ่อกาลาวหลวงพ่อกรมอยู่ทั้งปีให้อยู่ก็ทำกล่าวในซาเป็นลูกศิษย์่พ่อมานี่บอกว่าให้หลวงพ่อขึ้นบูชูขึ้ข้างนอกั้วนนี้พอขึ้นมาหลวงพ่อก็เขียนก็เอาให้พ่อมานั่งตรวนี้นั่งตัวนี้เสร็จแล้วก็าถามว่า พร้อมจะตายได้ยังพร้อมจะตายที่นี่ได้ยังมั้ท่านถามสองคำหลวงพ่อไม่ตอบไม่ตอบนะแต่คิดว่าจะตายในสายงานเจริญสติหลวงพ่อเทียนเนี่ยวัดไหนก็ได้นะตั้งแใจว่าจะตายในสายงานจะไม่เปลี่ยนไปยุบหนพอพองหนอจะไม่ไปที่อื่น<ไ>จะตายแบบการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแบบรู้สึกตัวจะตายในสาขาหลวงพ่อเทียนแต่วัดไหนที่ท่านถามที่นี่พร้อมจะตายที่นี่ไหมพร้อมจะตายที่นี่ไหมหลวงพ่อก็ไปถามท่านอาจารย์ทรงศิลพร้อมที่จะเผาให้ไหม บอกพร้อมที่จะเผาให้ถามหลวงพ่อกรมหลกรมยินดีให้ผมตายที่นี่ไหมได้ไหลวงพ่อพอถามสององค์นี้รับประกันขึ้นมากเลยพร้อมที่จะเผาให้หก็เลยบอกเขาเขียนครับผมพร้อมที่จะตายที่นี่ครับผมพร้อมที่จะตายที่นี่ครับแต่ว่าออกฝัรษาแล้วมีงานสายหลวงเทียนที่ไหนถ้าผมไปได้ขอไปก่อนถ้ามันเจ็บจะตายจะมาตายที่นี่วันนี้แล้วก็บอกโอ้สาธุสาธุเถอะวะหลวงพ่อไม่สงสัยหรอกวิธีการปฏิบัติเป็นหลงเทียนเนี่ยรู้สึกตัวเนี่ยไม่สงสัยเลยเพราะว่า แต่ก่อนไปปฏิบัติโยบเนาะพองเนาะพูดโทออกจากความคิดไม่ได้เลยออกจากตัวกูไม่ได้เลยไปก็มันมุดไปกับมั น, นมุดไปก็มันเนี่ยต้องเอาต้องเอาไอ้จินตามัญญะปัญญาเอาตัวแผ่เมตตาเอาตัวพิจารณาเอาอะไรมาช่วยตั้งยาวนานกลัวจะตัวนั้นจะขายเหยดไปจะขายจะขายกดขายโรคกายหลวง ข, ข, ขายทุกไปแต่สารวัเทียนนี่เห็นปั๊บนี่ยพอเห็นปั๊บเป็นขออ้อ ผิดแล้วนะง่แล้วนะมันจะกลับมัหาความรู้สึกตัวได้ไวขึ้นนะเห็นกิเลสได้ไวขึ้นเราออกจากกิเลสได้ไวขึ้นเห็นทุกข์ได้ไวขึ้นเราออกจากทุกข์ได้ไวขึ้นแต่ยังไม่ทั้งร้อปร์็น์เลยนะหลวงพ่อออกมาคิดว่าคิดว่าจะพอที่จะสอนตัวเองฝึกตัวเองได้นะความที่จะสอนตัวเองฝึกตัวเองได้ในการความรู้สึกตัวนี่เนี่ยโง่แล้วนะบาปแนะทุกข์นะทีไปไปติไปชมเขาไปเพ่งโทษเขาไปเพ่งคุณเพ่งคิดอะไรก็นะไปจับเพจจับทุกข์จับคุณไปติไปชมเขาไปสารเสืิดินถาก็นะเอาแล้ว มันก็งมุดไปหาตัวตนนั้วนะมุดไปหาสัตว์บุคคลตัวตนแล้วก็มุดไปหามิจฉาทิฏฐิแล้วมุดไปความเห็นผิดจำผิดแล้วนึกผิดเลยใชนะใหไหมก็เลยใช้บิธีการแบบนี้มันเห็นเห็นทุกข์เห็นโทษตัวเองได้ใบขึ้นทีนะี้หลวงพ่อสามเดชทีมม่ว่าจ็อยากจะหาอาจารย์สงสีเผาให้หรือพระที่นี่ใครก็ได้ถ้าใครไม่อยากเผาก็ไม่เผาก็ได้นะไม่อยากหาไม่อยากเหม็นก็ให้อาจารย์สงสีเผาคนเดียว เป็นเพราะว่าลราพ่อไม่มีครอบครัวมาแต่งงานาน้องสาวสามคนคนหนึ่งอายุสิบห้าปีตายนะคนหนึ่งอายุยี่ออกรูกแล้วก็ไข้าตายอีกคนหนึ่งอายุห้ิปีเป็นมะเร็งตายน้องสาวทั้งสามคนเลยทั้ง3คนตายหมดพอที่จะพึ่งได้นะตายหมดทีเนี่ยพวกพี่ก็พึ่งบ่อยได้พ่อพึ่งไม่ได้นะก็เจอเดียว ตัวเองเราไม่มีครอบครัวไม่มีลูกไ ม, ม่เศร้ามาไม่มีใครจะเผาให้ใเนี่ยก็ต้องอาศัยอาจารย์ทรงศิลนี่แหละอาจารย์ทรงศิลป์เาปากวา่าถ้าศพนี่มอบให้ศิลป์นักขลิปไปแล้วน้องพ่อบอกอยากจะเอาบาดไปคืนเขาให้มาตายที่นี่เผาที่นี่ไม่ต้องขนส่งไปให้นําบากไก่บ้างที่นี่ถามไม่ไกลเท่าไหร่จากนี่ไปเมนก็ประมาณสักสามสี่ร้เมตรหนึ่งมือนะสามสี่ร้อเมตรหนึ่งหามไปเลยเผ า, าเวลาเผาก็ไม่ต้องสวดมากดีกามาสกุลตรงเลยอันนี้จะสังขาราสังขารสังขารไม่เที่ยงหนอะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดา สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นยอมตับเนะมือม่อสงบระงับสังขารความนึกคิดปรุงแต่งใี่ได้ความยึดถือตัว ต, วตวนใี่ได้ก็สงบระงับแค่นี้เองเอาแค่นี้ก็พอนนะว่าแค่นี้ก็พอเพราะว่าลูกตามหาบัวมีเจ้าภาพจะสวดเอาไปทําให้สวดบัณฑิ迦ให้ท่านบอกไม่เอาให้ทุกคนทั้งพระทั้งโยม่สวดแค่อันนี้จะอาแต่สังขาราก็พอแล้วก็มะมวลลวกพ่อไปมาผูคนเต็มวัดเลยนะไม่ต้องสวดมีคนเจ้าภาพจะสวดให้ผมไม่ต้อง ไม่ต้องเอาแค่อันที่จ้าตัดสังฆาราก็ได้ที่ลุงพ่อกำเขียนบอกว่าตายที่นี่นะจะเก็บกระดูกตอนตีที่สามเหมือนที่สามจะไม่ให้คนรู้มากเหมือนเก็บปั๊บแล้วก็เอาไปใส่เอาไปใส่ที่ท่านที่ท่ฝังไปเหมือนใครจองไว้เหมือนพระที่นี่ตายหรือใครที่นี่ตายเราจะเพาะพระเหมือนจะไม่โยมน้ำบากเหมือนเก็บปั๊บป๊แล้วก็เอาไปฝังเลยเหมือนเอาเข้าที่เลยเก็บตีสาม้วว่าอย่างเงินเก็บตีสามทีนี้ไอร่างกายตายไม่สำคัญหรอก ขอฆ่ากิเลสตายก่อนตายก่อนตายค่ากิเลสค่าความโลภค่าความโกรธค่าความหลงค่าความเผลอสติให้มันให้มันตายก่อนตายในผู้ท่านบอกตายก่อนตายนะท่านปฏิบัติธรรมอย่างปฏิบัติตายก่อนตายก็หมายถึงว่าหลวงพ่เทียนนี่ปฏิบัติบอกว่าให้หนีรูปแบบในการกระทำนะสร้างสติเอาสติไปฆ่ากิเลสกดหัวกิเลสความโลภความโกรธความหลงความอะไรต่างๆอย่าให้มันโผล่ขึ้นมาเอาสติเข้าไปนั่งเก้าอี้ไว้ อาสติไปนั่งบนเก้าอี้สินี่ความโรคของมกลัวความหลงมันจะมาแย่งเก้าอี้นั่งไม่ได้เพราะสตินั่งอยู่เข้าใจไหมทีนี้พอเราเผอเผอลุกออกจากสติออกจากออกจากกายไปออกจากกายออกจากเวทนาออกจา ก, กจิตออกจากธรรมไปออกจากสติปัฏฐานสีไปมันหลุดไปใช่ไหมสติมันหลุดไปเนตัวกิเลสเข้ามาได้สิตัวหลงมันก็เข้าไม่ได้ตัวโรคตัวกลัตัวหลงตัวอุปทานตัญหามันก็เข้ามาได้ทีนี้เราก็พยายามฝึกด้วยความทียิบหน่อยนะฝึกไปฝึกไปเดียวยความขยันขันแข็งเนี่ยจะได้ มีชัตติปัญญาหลวงพ่อฟังธรรมะก็ยกหน่งฟังชัดด้วยนะฟังรู้เรื่องด้วยนะฟังกระชัดรู้เรื่องรู้เขาพูดอะไรหมายถึงอะไรแล้วก็ยกมือตามไปเนี่ยมันกระจับได้ชัดถ้าฟังจิตเป็นจอที่ฟังไอความรู Roma, ้สึกตัวจะหลุดไปเลยถ้าพราะเพระพรานั้ปั๊บพรรู้หลุดปั๊บกระจับอีกพอจับความรู้สึกตัวนี้มันก็ชัดมันโป่งโล่งเบาสบายดีรู้ซื่อๆรู้เฉยๆนะได้ไปสักอย่างเลยฟังเขาฟังก็รู้เรื่องยกมือก็เข้าใจ หลวงพ่อเข้าใจหมดว่าไปประเทศอินเดียมาสี่บอวันอันสีิบนี่ไปเห็นที่ประสูติจัตุรุปนิพาน่ะไปเห็นเสร็จแล้วก็อ๋อพระพุทธเจ้ามันอยู่ที่ตัวสติตัวที่ความรู้สึกตัวซื่อๆนี่เองเอนั่นกลับมาก็เลยเข้าไปปฏิบัติธรรมที่วัดเขาคงคาเลยมาเขารเริ่มเต็มที่ยี่สิบหลวงพ่อมาที่ยนะี 21, 22, นะ่สิบเอ็ะยี่สิบอดยิบสองเน่ยเข้าไปปฏิบัติพอดีเลยทีนี้อาจารย์โอง่งหนึ่งเทศนะบุญธรรมอาจอย่าออกชื่อเลยนะ ทางประเทศว่าเจ้าอารวาสขันว่าเจ้าอาวาสเจ้าคณะตบลขี้บุญเจ้าอำเภอสติไม่มีสติเจ้าคณะจังหวัดเป็นหวัดขันจมูกน้ำมูกไหลเจ้าคณะภาคป็อำเภาคสังฆราชปุกเสกว่าอย่างนี้พูดวยไปหลวงพ่อฟังฟังแล้วสติม่นพอแรงไม่ติไม่ชมท่านว่างระเทศผิดปเทศผูกท่านขี้บนท่านยินทาท่านแท่งโทษอื่นไม่มันจิตมันไม่โผไปนะมันยุ่มันเฉยมันวางเฉยโอ้เข้าใจเลย เข้าใจว่าตัวสติทำทีๆเข้ามีน้ําหนักเข้าค่องแคล่วเข้ามันจะวางอารมณ์ได้ไหวมันจะไม่สิไม่ชมไม่เผลอไปสารเสพติทาไม่เพ่งโทษจะผิดเข้าจริงๆนั่นแหละโอ้เด็เข้าใจหลวงพ่เทียนเลยเข้าใจตัวอุเบกขาวางเฉยตัวรู้ซื่อซรู้เฉยๆได้กระทบได้กระทบพันิพาไปหนึ่งนาทีสองนาทีสนาทีนะขณะที่เทศเนข้าใจว่าเรื่องหลวงพ่อเลยถนัดในการยกฟังใครจะเท็ก็เลยเสี่นะใครจะเท็จแล้วยกมือฟังไปเลย รู้เรื่องก็ชํางทำไมรู้เรื่องก็รู้อย่างเสีย ง, เ ส, ยงเสียงเป็นรูปเสียงเกิดดับนะนะ้ดับไปแล้วโม่ดับตัดสะดับไปแ ล, ปแล้ฟังอย่างนี้โอ้รูปเกิดดับนะไอ้น้ําก็ดับเกิดดับตามไปด้วยแต่ว่ามันจับไม่ชัดรูปไอ้ตัวน้ำเนะ่ยมันไวมันเบาเข้าใจ ไ, ไหมรูปเกิดดับไปน้ําก็เกิดดับไปพร้อมเลยก็ฟังอย่างนี้ก็เข้าใจพระไตรลักษณ์เลยโอ้อันนี้จังโอ้ทุกขังอนุตตาเข้าใจเห็นอย่างนี้ไหมฟังให้เข้าใจธรรมะไปเลยให้รู้ธรรมะไปเลย คำพูดของคนที่พูดเนี่ยร้อยคำพันคำหมื่นคำแสนคำเนี่ยหลวงพ่อตีความหมายอยู่คำเดียวพูดให้คำสติคำความพ้นทุกข์กนเ่งพูดให้พูดให้เจริญสติทําความรู้สึกพ้นทุกข์ทำความรู้สึกของใจให้รู้สื่อซื่อรู้เฉยเฉรู้เฝานะรู้สี่อยู่เหนือดีเหนือชั่วเหนือผิดเหนือถูกเหนือบุญเหนือบาปเหนือรักเหนือชังเหนือสุขเหนือทุกข์รู้สื่อซื่อรู้เฉยเนี่ยคําพูดคำพูดที่เขาพูดอยู่เนี่ยหลวงพ่อตีเอาคํานี้คําเดียวเลย ที่ตัวนี้ตัวเดียวเลยเราดูใจนะฟังแล้วก็ดูใจเราดูใจเราใจเราอยากฟังไม่อยากฟังอยากฟังก็ไม่กิเลสไม่อยากฟังก็ไม่กิเลสเลยเกิดทุกข์ขึ้นในใจนะซื่อเชยฟังก็ได้ไม่ฟังก็ได้รู้เรื่องก็ได้ไม่รู้เรื่องก็ได้ทีเดียดูที่ใจมันซื่อเชยมาเนี่ยหมดปัญหาหมดกิเลสหมดโรกหมดกดหมดหลงอยู่ในตัวใจก็ได้สัมผัสพันธุ์านอย่างน้อยๆก็แกงหม้อหนึ่งหนักร้อยกิโลเราได้ชิมไปสักครึ่งกิโล สองขีดสมขีดก็ยังดีเข้าใจไหมกิตมันสงบมันเป็นกางอยูสักชั่วชั่วขณะหนึ่งวินาทีสองวินาทีก็อยังดีแล้วอ่าเรียกว่าได้ชิมรสแกงแล้วแกงหม้อนึ่งกินไม่หมดก็จริงแต่ว่าได้ชิมรสอันนี้ก็เหมือนกันได้ชิมรสพันธิพาณ์รสที่ใจซื่อเฉใจไม่เป็นทุกขน์นะใจปร่งโบง่สบายใจรู้ตื่นเปลือบาทนะใจไม่เหงาไม่หงอยไม่เศร้าไม่อะไรนะไม่ความว่างความวุูไม่มีขึ้นมาในใจ อ, อันนี้ล ะ, อะขอให้ญาติโยมทั้งหลายนะหลวงพ่อเชื่อปฏิบัติสายนี้ไม่มีความสงสัยเลยนะ เชื่อปฏิบัติเราต้องเป็นทางที่ตัดรัดไปสู่ความทุกข์นะตัดพบตัดชาติตัดกิเลสตัดโรภตัดหลงตัดอะไรได้ตัดทุกแน่นอนพูดงิานะเพราะว่าหลงอเด็กของมาอยู่สาจนี่แต่ก่อนกับไปอยู่กับอาจารย์ยันตแต่ยุีหัวฝรั่งแตก14เข็มตีหัวพระแตกหเข็มพระอย่าแยกทำวิสาขานะแตกวัดเดียวกันนะอย่าแยกอย่าแยกมาช่ง มาถึงกระท้านขวงพ่อต่อยทุกวันทุกวันเลยท้าต่อยหลงข้อไม่จะอาวัตเขาเป็นลูกวัดเลย่ะเสร็จแล้วก็ฉายไฟให้เขาจะคาสะพานจะตกสะพานเขาด่าขึ้นมาหาเรื่องเนี่ยวะเงินสายไฟชน้ะเอาเรื่องเล่เงินพอหลวงพ่อก็เฉยไปเสร็จแล้วก็ขึ้นจากกุฏิเปลี่ยนขึ้นแบบแล้วก็ไปดูไปเอาหนังเอกมาดูเนยนะหลวงพอก็ตามกันไปท่านเนี่ปากเสียมันไม่รู้จักผิดจะชอบเลย่องมันเขาเขาบอกหลอที่ปากเสียมันจะลูกขึ้นมาเตะหลวงพ่อยนะหลวงพ่อก็เตะเปี้ยงอย่างไร จะลุกขึ้นมาอีกหดได้แม็กไแตีกระบะแตกห้าเข็มบอบคาตีนเลยนี่บอบคาตีนแล้วหลวงพ่อก็เอาไปโรงพยาบาลของขาภูมด้วยเอาจับหลวงพ่อสึกเลยว่างั้นจะจอมจิตคุกรวมกันบอกว่าหลวงพ่อตีหัวว่างั้นพระเนร์เขาบอกว่าถ้าท่านบอกหลวงพ่อตีหัวนะผมจะปล่อยให้ท่านตายอยู่เนี่ยเหมือนจะไปโรงพยาบาลผมจะถ้าท่านรับปากว่าไม่ไม่โทษหลวงพ่อตีหัวเพราะท่านผิดว่างั้นผมจะเอาไปโรงพยาบาลหลวงพ่อก็ตามไป ตามไปมันก็เงียบกิบเนาะโดนบอก่ถามกับมันพูดเลืองเน่งก็เลยบอกว่ามันมืดมันเดินเอาหัวชนหินหัวแจกกูเงินกระลอดไปเขาก็เลยมาเทึกหัวชนหินหัวแจกไมาในตัวพ่อตีไอ้ฝรั่งเนี่ยมันดื้อน่ะมันมันดื้อมันเป็นคล้ายๆวไพวกสองเพศไอ้พวกกระเทยพวกอะไรกันมันมารักอาจารย์จัตะจาตะรูปหล่อเสียงดีใครจะเข้าไปหาอาจารย์จัตะมันทีบตกสะพานไปเลยกูสิอยู่กลางน้ําเจ๊ะไหมกลางน้ําเสร็จแล้วก็ พาเข้าไปมันก็ถิบเด็เข้าไปก็ถีบมันไม้เข้าไปฮาราจัอะไรต่างเลยนี้ก็อาจจะเขาโยมคนหนึ่งเป็นเจ้าแม่ประกวดนางสาวไทยเอาหลวงพ่อไปสะดากเคราะห์ที่จังหวัดชนบุรีหมดไปกี่พันมือก้าวองค์อง์ละสองสามพันไปสะดอกเคราะห์ไงให้หลวงพ่อเข้าอยู่ในโรงรับผ้าขาวขุมแล้วก็ผ้าช้างมังสกุลพอออกมามันอาลวาดเนี่ยมันอาลวาดมันหลายครั้งนะมันเอาอวัยวะเพศของมันนะไปปั่นปั่นลุกโค้งขึ้นมาแล้วไปหาเทิยมตูดผู้หญิงอ่ะ พระก็บนกันไม่มีใครกล้าทําอะไรมาหลวพ่อก็เฉยไปเนี่ยพอไปตัมม้นมามันมาเอออาวยวายที่กุศิลพ่อพ่อก็ไปไปมาเหนื่อยมันนอนหลับพักตื่นมาจับไม้ได้ไปถึงโดนตีเลยแต่ีกข้างหลังเนี่ยตุ้มตุ้มสอ ง, องทีเลยตีมาเลยเสจล้วมบัติจับไม้ก้อนหนึ่งไปจับฝาโลงไล่จีนหลวงพ่อรอพันเลยลพ่อจับก้อห็นได้ก้อนหนึ่งหนักประมาณ ก, กิโลหนึ่งจะตั้งใจจะคว้างฝาโลงให้มันตกใจมันลถฝาโองลงมาโผลัวขึ้นมาได้ไปถูกหัวแตก1ิบสีเข็มติ้นเลย พอดิ้นเสร็จเรียบร้อยเขาก็เอาไปเอาไปเย็บที่โรงพยาบาลอที่ปนนทบุรีเอ็งปุมธานีโรงพยาบาลอะไรโรงพยาบาลคนบ้านอ่ะโรงพยาบาลโราทงพยาบาลอะไรไม่จำไม่ได้ตอนแรกเสร็จแล้วบอกเขาผ้าที่เขาเอาไปเขาก็บอกว่ามันวิ่งเอาก้อนชนหินทั้งวเขาบอกอย่างเงี้ยจากนี้เขาก็ไปเสิร์ฟผ้ฝรั่งไปองค์ไปดูมันวิ่งเอาก้อนชนหินดีว่ามันมีใครตีเหมั้งกันเสร็จแล้วพอเย็บเสร็จเรียบร้อยเขาให้ไปอยู่ที่อื่น พายุสิอื่นจะ7วันเจวันเจ็ดวันแล้วก็ให้กลับมาพอกลับมามันก็สงบเงียบลงทีมันไป3ประเทศมันยกที่ให้จัดนี่ต่าประมาณเอเคอร์หนึ่งสิองไร่สไร่ครึ่งมันยกให้ประมาณ30ิเอเคอร์น่ยสาิบเอเคอร์เท่าไรก็เอาสองไร่ครึ่งคูณเข้าไปเจ็ดสิบกว่าไรไหมเสร็จแล้วก็มันก็ไปบวชเช่าเรือลพบไปบวชกลางทะเลทีงานลกปูชอบเผาศพชอบบันมามันมาแล้วบอ มันมากราบหลวงพ่อกราบที่ตีนนะขอโทษหนูมันผิดแล้วมือตั้งแต่หลวงพ่อเอาเลือดหัออกจากสติสติมันดีขึ้นเหมือนหลวงพ่อก็กราบตีนมันสามทีเหมือนกันกราบเท้าเนี่ขอโทษหนูกรรมมันก็เป็นโหังศีกรรมเหมือนกันแล้วผ่าที่สีหัวแตกห้าเข็มนี้ก็มันยังนั่นอีกนะมันก็ว่ามันผิดแล้มากราบขอโทษหลวงพ่อหลวงพ่อก็กราบขอโทษเขาทีนะมากราบตีนหลวงพ่อหลวงพ่อก็กราบตีนมันกราบขอโทษทีนะเสร็จแล้วมันยังดื้ออยู่มันยังไปต่อว่าผ้ากําเนนผ่ากําเนนต่อยเอาฟันหักเลยพระองค์ ปั่นหักแล้วเบิ้ลอยู่เนี่ยไปอยู่ไปอเมริกาไปอเมริกาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปทำอะไรให้อาจารย์ต่างมาดูโอ้มันปากเสียยังไงหลวพ่ อ, อยังตีหัวมั น, มนอาจารย์ยังชมมาจากอเมริกาอาจารย์ตางยังชมมาอาจารย์ต่านี่มันผิดหรอกผู้หญิงใส่ร้ายผู้หญิงรุมลักกันส้าหกเจ็คนนสา ย, สายก้ก็ผู้หญิงคนหนึ่งก็ไปให้หันท้องหันกดไไข่นออกรูปที่อเมริกาออกแล้เอารูปมาสวอาจารย์อาจารย์ได้รับแต่ ง, ต ง, ต ง, ตงชื่อให้ อาจารย์ก็รับเป็นลูกอาการเป็นลูกเฉยๆลูกวุฒิธรมเฉยๆทงนี้คนคนที่ใส่ร้ายผู้หญิงนะที่ว่าไม่นั่นนะไม่ไม่ไม่เชื่อนะ่ะก็หาว่าไปเป็นลูกของอาจารย์ทีนี้เขาเอาอาจารย์ที่มาเนี่ยคนนี้นะไปวัดราชาอาจารย์จะตักเข้าในบสถพระแล้วเกือบร้อยองค์ประชุมกันบอกว่ารับมนตรงๆแล้วจะช่วยอาจารตาเมื่อไงอจารยที่มารับตรงกเขบอกเขาจา้างเขาจ้างใส่ร้ายอาจารย์ว่ามีเงินเลี้ยงลูกเขาบอกเงินอาจารย์อาจาตย์ตจริงไหมจริ ง, ร ง, รงครับจริงยังไง ผมรับลูกเป็นลูกบุญธรรมของผมจริงแค่นี้ครับไม่ใช่จริงผมทาให้ลูกเกิดทั้งวันอย่างนี้เสร็จแล้วก็เขาก็เ ข, า, ขายุให้ทะเลาะกับสังฆราชนะเนี่ยอัสสัมสตังก็พลเอกสวัสดนนิ์อมริวัฒน์เป็นอดีตบดีกรมตำรวจเอาส่งอเมริกาเลยไปอเมริกามีไปพาสปอร์ต ส, สองใบใบหนึ่งของเขเมนันท่านพลตีสวัสดิ์ทําให้เอาหนึ่งของไทยเขาจับได้ทีเนี่ยเออสมัยมีใบพาสปอร์ตทั้งสองใบเขาบอกเขาทําให้ผมไม่รู้เขาไม่ได้ปรับ กับสถานที่อยู่ให้สอนสมาธิ300กว่าชั่วโมง320กว่าชั่วโมงเขาพาไปสอนตามโรงตามอะไรตามเรือนจำงนิจังหนทีนี้อยู่่อนมาอีกเขาขับรถมาชนท่านเขาตายเขาตายทีนี้อาจารย์ต่างเสียงไป8ล้านบาทสองแสเหรียญเ0ร0ยญส0สนดอลลาร์ดอลลาร์ละสิบาทตอนนั้นนะส่สิบแล้านทีนี้ข่านผิดท่านไม่ผิดถ้าหากว่าคนอเมริกา ไปชนเขาแต่นะเขาจะปรับประมาณ80ดสิบล้านถึงรอบาทเขาเขามีเขามีประกันชีวิตของเขาไปอย่างนั้นถ้าเราผิดนะต้องเสียตัง80ดสิบล้านถึงรอยล้านบาทต่อต่อค ว, ว, วามดีที่ผิดอันนี้ก็เขาท่านไม่ผิดเอารูกเอารวยกันที่นะีก็เลยเสียไป8ล้านบาทที่นะี่ล้านบาทอาจารย์มหเดชเอาหลวงพ่อไปไปยกมือสร้างจังหวะอยู่ที่ราดเบิกัดราดเดบดาก็ไปสอนฝรั่งไทยภาคอีสานเนี่ยฝรั่งเบียงจันเนะี่ยเนี่ฝรั่งจริงจริงานน้ำข้าวไม่ค่อยมาเท่าไหร่ มาได้คนไทยเป็นภรรยาเป็นอะไรขึ้นมามันก็มาตามตามภรรยาของเขาม า, มากินอาหารไทยเแต่ฝรังจริงๆคนไทยนี่เองก็คุณจันทรยกมือสอนจังหวะอยประมาณ6เดือน6เดือนแล้วกลับมาเนี่ยก็จะให้อยู่ต่ออยู่แบบอยู่แบบแอะ น, นั่นอยู่แบบเราไม่ทุดนี่เที่ยวที่ อ, อื่นไม่ได้ขึ้นเครื่อไม่ได้แต่อยู่ในรัฐเดียกันไม่เป็นไรจ น, นตายก็ได้เพราเขาขึ้นเครื่องินเขาจะตรวจพาสปอร์ตนี่ยที่ลุงพ่อไม่เอาโกหกหลอกลวงก่อนได้กลับมาพอกลับมาอยู่ประเทศไทย กลนะับมาอยู่ประเทศไทยก็เชื่อเลยเนี่ยนะปัจนจะุบ น, นี้ประเทศจีนปฏิบัติอยู่2อ 0,000 กว่าคนยกมือสร้างจหวัดเนี่ยประเทศเอเมริกาเพื่อนแล้วา ก, ก็ทําอยู่นะประเทศออสเตรเลียก็ทําประเทศฮ่องกงไต้หวันเนีสิงคโปร์เนี่ยก็ทำอยู่ไม่ใช่ทําแต่ประเทศไทยนะเขาได้ความรู้ขึ้นมาพวกนักคิดพวกเศรษฐีอะไรต่างๆมันคิดเก่งเนี่ยออกจากความคิดไม่ได้เนี่ยเครียดคิดจะฆ่าลูกน้องคิดจะอะไรต่างจะมาตหาทุกอย่ามันไยกมือสร้างจหวัดมันออกจากความคิดได้เลยนะเมื่กี้เลยโอ้ไปกันนั่นแหะ เป็นเป็นการตัดตัดตรงไปสู่ความพ้นทุกไปออกจากทุกได้ไวได้เร็วขึ้นนะแล้วก็รู้ด้วยตัวเองไม่ใช่เชื่อคําพูดและท่องจำเอามาไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยปฏิบัติตุงพ่อก็ะเชื่ออย่างนั้นี่เพราะว่ายกมือขึ้นมาสติมันมาจับที่ความรู้สึกตัวมันก็เลยไอ้ตัวโรคตัวปวดตัวโลงตัวคิดมันก็เข้ามาไม่ได้เนี่ยก็เลยสบายแต่นี่ก็จังว่าจะขอตายในกายสายนอกรัฐเนี่ยนี่น้องพ่อจะถามว่าเมื่อเช้านียจะตายที่นี่ไหมจะตายที่ไหน ครับผมขอสบายชีวิตจะตายดในการยกมือสั้นจังหะจะตายที่นี่เหมือนกันแต่ว่าสายงานตรงวัชเทียนไปที่ไหนขออนุญาตไปบ้างเหมือนกันถ้าว่าเจ็บจะตายจะมาตายที่นี่เหมือนกันแล้วอาจารย์ทรงศิลก็เป็นผู้ที่จะรับเผาใหยแล้วพ่อลูกพ่อไม่มีญาติพี่น้องเลยญาติไม่ใช่ญาติญาติธรรมญาติแก่ญาติเจ็บญาติตายคือพวกเราเสญาติอะไรจังทุกขัขันดาตาไม่ใชญาติธที่ทำด้วยกันนะขอญาติโยนทั้งหลายนะจงปฏิบัติเข้าไป ใช้ความเพียรขยันเข้ า, ขาไปรู้สึกตัวรู้สึกตัวเข้าไปแล้จะเห็นจิตใจที่มันปกติมันซื่อๆมันปวงเบานะ่ยจะรู้ได้ตนเองแล้วก็เป็นการอาการที่พลุกพลุกในขณะที่เราจิตใจเราปวงเบารู้ซื่อๆเน่ยเป็นอาการพลุกพลุอยู่ในตัวถ้าเราทําได้รู้สซื่อรู้เฉยรู้เปล่า ๆ, ด, hour, ๆ, ๆด้ชั่วโมงเราก็ได้สัมผัสปฏิภาณได้ชิมรสปฏิภาณหนึ่งชั่วโมงแล้วไงแล้วก็เป็นผ้าหนึ่งชั่วโมงแล้วทีนี้ต่อไปจะเป็นผีคิดลบคิดกดธอีกหลงเราก็รู้เนี่ยกลับมาหาผ้าบ่อยๆกลับมาหาพระสติบ่อยๆเข ขอให้ญาติยโยมตรงมีตรงตาเห็นรมนะมีความเพียรขยันสร้างความรู้สึกตัวสร้างสติให้ติดต่อเนื่องไปแล้วได้พ้นทุกข์เหมือนกับพระพุทธเจ้ามรรคปู้เทียมมรรงพ่อคำเขียนด้วยกันทุกท่านเทูน